อบรมคำว่าอบรมทั้งอบทั้งรมอบรมใจอ บ, อบรมกายก็พยายามฝึกกิริยากายให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรมอบรมวาจาก็พยายามปรับวาจาให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรม ของระบบของระเบียบอบรมใจก็คือพย า, ยามฝึกหัดดัดแปลงขัดกลาใใ่าวจิตใจของเราให้มันเคยชินกับระบบระเบียบที่เป็นเรื่องศินเรื่องธรรมอดรมอบรมบม่มเพาะจรลิตนิสัยให้เป็นไปตามสิลให้เป็นไปตามธรรม คนเราถ้าหากย่อนการอบรมแล้วเนี่ยคนที่เคยแข็งกระดา้างยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเคยมีกิริยารางทางกายกระดา้างยังไงก็กระด้างอยู่อย่างนั้นกิริยาทางวายจากกระดา้างยังไงก็กระด้างอยู่อย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ต่อเมื่อเราไปเที่ยวกับหลักกายกรรมวิจีกรรมเราไปดูหลักเ น, น มันกระด้างคำว่ากระด้างคือคือคำว่ากระด้างมันไม่ใช่ว่าอ่อนช้อยเหมือนที่เขาฟอนเขารำเขาอะไรไม่ใช่คำว่าแข็งคำว่ากระด้างนี่หมายความว่ามันไม่อ่อนละมุนไปตามหลักของศีลของธรรมกิริยากายก็กตามกิริยาวาวจาก็ตามรวมไปถึงกิริยาใจกิริยาใจนี่เราก็ดูรู้ที่ รู้ที่ตัวเราเองกิริยาทางใจเนี่ยมันอ่อนมากกว่ามันฝึกอดดัดแปลงเป็นไปนตามที่เราจับให้เขาอยู่ยังไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นอืจิตที่เคยแข็งกระด้างขาดที่ริขาดโอตปะอืพอราอบรมไปอบรมไปออรู้หลักของเวรของภัยของบาปของกรรมเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้ มีความละอายต่อ บ, บาปเกรงกลัวต่อผลของบาปมีความละอายมีฮิริมีความละอา ย, ม, ม, า ม, อายมีความละอายแก่ใจตัวเองคำว่าละอายแก่ใจตัวเองไม่มีใครทราบเราทราบด้วยตัวของตัวเราเองอุตปะคือความเกรงกลัวกลัวต่อผลบาปผลกรรมที่เราจะพึงได้รับอันเป็น ผลสืบเนื่องต่อจากกิริยาที่เราที่เราประกอบเข้าไปมโนกรรมมโนกรรมกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจกิริยากายของเราเราก็ดูทีเรายื่ในที่ดีที่เหมาะที่ควร เราเดินในที่ดีที่เหมาะที่ควรเรานั่งในที่ดีที่เหมาะที่ควรเรานุ่งห่มในที่ดีที่เหมาะที่ควรนุ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ดีที่เหมาะที่ควรมันเป็นกิริยาทางกายแสดงออกการลุกการนั่งการเดินการยืน เดินอย่างเป็นระเบียบเดินอย่างลุกลี่ลุกลนเดินอย่างโดดอย่างวิ่งเป็นกิริยาทางกายทำไงจะงามตามหลักของศีลตามหลักของธรรมเราต้องมาอบรมให้มันเป็นคาว่าอบรมก็คือรวมทั้งเรียนรู้ด้วยและทำให้ได้ตามที่เรารู้เราเข้าใจนั้นด้วยหมายถึงเอาจิตนี่แหละมาเรียนรู้ กายวยายใจเนี่ยมันประกอบกันด้วยไปด้วยกันไปตลอดแหละเรียนรู้ด้วยอ่ากิริยากายอย่างงี้เหมาะอออย่างงี้ถูกอย่างงี้ไม่ถูกอย่างงี้เหมาะอย่างงี้ไม่เหมาะนุ่งหอมอย่างงี้ในการเช่นนี้ในเวลาเช่นนี้อนุ่งหอมอย่างงี้เหมาะอย่างงี้ไม่เหมาะ กิริยาทางกากิริยาทางวาจาคำพูดก็เช่นเดียวกันกิริยาคำพูดไม่ใช่เ่าพูดหวานพูดอ่อนพูดช้อยเป็นกิริยาคำพูดที่ไม่แข็งไม่กระด้างไม่ผิดหลักของศีลของธรรมไม่ไม่ผิดหลักการสัมมาคารวะกิริยาทางกาทางวาจา พูดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพยอเจอรเลวไหลไม่พูดตลกขนองไม่พูดกระทบกระแทกไม่พูดเสียดสีกระทบกระทั่งรวมไปถึงไม่พูดโกหก ไม่พูดโกหกตลกคนองไม่พูดเสียดสีไม่พูดคำเท็จไม่พูดเสียดสีเปรียบเปรยด้วยงานไม่พูดเสียดสีเปรียบเปรยด้วยกิริยาการแสดงกิริยาไม่พูดเปรียบเปรยเสียดสีไปถึงชาติถึงตระกูลไม่พูดเสียดสีไปถึงความรู้ ความสามารถนี่ก็รวมลงในกิริยาของวาจาเช่นเดียวกันการที่แข็งกระด้างก็คือพูดผิดหลักออกนอกออกนอกหลักออกนอกหลักกิริยากายสมบัติผู้ ด, ดีมีกิริยากายเป็นผู้ ด, ดีกิริยาวาจามีสมบัติผู้ ด, ดีมีกิริยาวาจา ไม่ผิดหลักถ้าเรามีความชนานาญสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะอานหานเราจะอยู่ยังไงเราจะอานหานเราจะนุ่งห่มในที่ยังไงเหมาะเรารู้ตัวว่าเออเราทํานี้ดีอย่างนี้เหมาะออมันก็อานหานเราพูดจาไพเออราะคําว่าไพเราะ หรนิมนวลหมายว่ามันไม่แข็งกระด้างโดยความโดยความเป็นกิเลสโดยความผิดระบบระเบียบเนี่ยไม่พูดกระทบกระแทกไม่พูดกระทบกระทั่งพูดตรงไปตรงมาก็ยังถือว่าถือว่าเป็นกิริยาเป็นกิริยาที่ที่เหมาะที่ดีที่อ่อนหวานรู้อยากที่ควรและไม่ควรที่สูงที่ต่ำที่เหมาะที่ไม่เหมาะต้องอบรมทั้งนั้นแหละ การอบรมรวมไปถึงการเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะได้เอาอะไรมาฝึกมหัศในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็พยายามทําให้ได้ทําให้เป็นโดยเฉพาะเพศสมณะเพศของพวกเราเป็นเพศที่เราควรจะพิถีพิถันกับสิ่งเหล่านี้กิริยากายงามกิริยาวายจางามงามโดยศีลโดยธรรมกิริยาใจงาม รวมไปถึงว่าฝึกหัดดัดแปลงขัดกลาวกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยจนมันเคยที่มันเคยแข็งเคยกระด้างเนี่ยมันก็จะอ่อนไปอ่อนไปรวมไปถึงการศึกษาการรู้เรื่องการเข้าใจแล้วก็ดัดเข้ามาให้มันอยู่ในหัว ม, มือด้วยทั้งหมดเหล่านี้คือการอบรมบ่มเพาะให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นในกิริยากายของเรากิริยาวิจาของเรา ิริออยาใจของเราไม่ถึงจาเป็นจะต้องใช้สับใช้แสงอะไรที่สูงว่าแต่ตรงไปตรงมาร่างกายก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนใจช้อยจะสวยงามการนุ่งการห่มก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนจะชอ้อยจะราคาแพงๆฉูดชาดบาดหูบาดตาใครเห็นแล้วก็อยากดู ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอ่าดูด้วยความสนอกสนใจดูด้วยความห่วงหาอะไรดูด้วยความเสน่หาดูแล้วก็กลืนน้าลายดังเอื้องนั่นดูอย่างนั้นอ่ะดูเกิดโทษไม่ให้นุ่งห่มเพื่ออวดอย่างนั้นนุ่งพอเป็นระเบียบเรียบร้อยกิริยาก็สํารวมเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ตลก ขนองไม่โดดดิ้นไม่คึกขนองกิริยาวาจารคาพูดก็เช่นเดียวกันกิริยาทางใจเราก็ดูเองเราฝึกหัดดัดแปลงมันง่ายมันยากขนาดไหนเราก็พยายามฝึกหัดเอาไม่ใช่เราจะอยู่เท่าเดิมนะเราไปดูในหลักสูตรหลักสูตรนักธรรมตรีท่านก็นาาท่านก็เอามาลงไว้กิริยาใดเป็นกิริยา ที่เป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความเรียบร้อยของสมณะสารูปให้เราสารวมระมัดระวังใช้สอยกิริยาวาจานั้นแต่จะเป็นกิริยาใดก็ตามมันก็มีหลักของกรรมให้เรามาเทียบเคียงกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เริ่มพดผิดในกรรมอันนี้ก็ไม่เป็นโทษวิจีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดยาไม่พูดซอเสียดไม่พูดเพเจอนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นวจีกรรมที่ที่ไม่เป็นโทษนะเป็นคุณมโนกรรมก็คือนึกคิดที่เป็นกุศลนะไม่นึกคิดพยาบาทไม่นึกคิดปองร้ายไม่นึกคิดเบียดเบียนนี่เราเอาหลักนี้มาใช้ก็ต้องประกอบมาด้วยกรรมกายกรรม สนี่แหละวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามพิจารณาคร้ครวนทบทวนแล้วทำให้เราได้ข้อปฏิบัติเมื่อเราได้ข้อปฏิบัติเราก็สสำรวมระมัดระวังอยู่ในนี้มันเป็นการสำรวมระมัดระวังอยู่ในกรรมเพราะคนเรานะกรรมเป็นตัวบ่งบอกถึงความไปดีไปไม่ดีกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีไปดีหรือไปไม่ดี มาดีหรือมาไม่ดีตัวกิดทีด่ว่าตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นเราต้องสํารวจรมมาระวังกรรมสํารวมนั้นสํารวมสวมํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจสำรว ม, รวมแล้วมาสรุปลงที่ว่าสํารวมกรรมกายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมของเราไม่ให้มันผิดไม่ให้มันเพี้ยนไม่ให้มันปีนเกลียวไปจากหลักของศีลของธรรม ท่านก็แสดงไว้หมดนั่นแหละการนุ่งการหม่มกายกรรมประกอบไปด้วยกายกรรมการนุ่งการหม่มเช่นอย่างพระเหล่าการนุ่งการหม่มนุ่งอยู่ในที่เอกเทศเราอยู่กติของเราเราก็นุ่งกห็ห่มนุ่งพระอาบวัดปลาเรานุ่งพระอาบส่ของสะอังสักธรรมดา เราจะเดินจงกรมก็ได้เราจะนั่งภาวนาก็ได้เราจะทำนั้นทานี่ก็ได้อยู่ที่กติของเราอยู่ที่กติของเราหรือเราอยู่บ้านเราอยู่วัดเราเนี่ยมีแขกมีคนมาก็ต้องดูอีกอา้าวมีแขกมีคนมาเมื่อแต่ชาวบ้านมีแขกมีคนไปเขาก็ยังควานน้นมาพันคว่านี้มาพันก็ อ, อยู่บ้านเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีเสื้อ าบางทีใส่แต่ากางเกงมันร้อนมันอะไรแต่ไรเนี่ยมีแขกมีอะไรมาเขาคว้าเสื้อมาใส่คว้าผ้าสบามาเบี่ยงมาอะไรแต่ไรเนี่ยนี่มันเป็นการแสดงถึงแสดงถึงว่าไม่อยู่คนเดียวมีแขกมีคนมาก็ต้องมีการก็ต้องมีการรู้จักปกปิดความละอายเนี่ยกระวาดเขายังรู้จักปกปิดความละอาย พระเนนเราก็ยิ่งจําเป็นต่อการรู้จักปกปิดความละอายอกิริยาไม่แสดงออกคึกขนองด้วยกายด้วยวาจาด้วยแล้วยังไม่พอกิริยากายก็ประกอบไปด้วยการนุ่งการหม่มเรามาอยู่ส่วนรวมแล้วก็นุ่งหม่มอยู่ส่วนรวมแบบอยู่บ้านเราห น, นุ่งเหมือนอย่างเราทําขอวัดทุกวันเนี่ยแล้วก็นุ่งแบบนี้แหละ เราเราก็นุ่งแบบนี้แหละนุ่งประอาบใส่ทงสะเนี่ยแล้วก็ปัดแล้วก็กวาดแล้วก็เช็ดแล้วก็ถูไปเดี๋ยวถ้ามีแขกมีคนมาก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรไม่ใช่ปล่อยอยู่คนเดียวก็นุ่งหอมอย่างนี้มีแขกมีคนมาตเต็มวัดก็นุน่งหอมอยู่อย่างนี้เนะ่ยเดินห้อยตรงเตงตรงเตงไปหาเขาดูเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรก็ต้องดูนะ มันเป็นกิริยาที่เราควรคำหนึงด้วยเราต้องรักษาเราไม่รักษาไม่ได้ไม่ใช่เราขลกโ ค, กโคเกะยังไงก็อยู่อย่างไงั้นไม่ทำเฮ้ยเราถนัดอย่างนี้เราถนัดอย่งงางนีงง้ถนัดยังไงก็ตามพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วเราจะเดินตามเราหรือจะเดินตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้แล้วอนุ่งหอมอย่างงี้นุ่งหอมลดลาเราอยู่ในวัดเนี่ยเราหนุ่งหอมลไลา เราออกนอกนอกวัดเนี่ยเราก็นุ่งปิดไหล่สองข้างห่มคลุมไปบิณฑบาตในห่มคลุมการออกนอกวัดเราก็ต้องนุ่งนุ่งเสบีงเรานุ่งเสบีงหรือไม่เราก็นุ่งผ้าผ้าอาศัยที่มีสบีงเสบีงวาดเงี้ยไม่ใช่เรานุ่งผ้าอาบออกไป เราออกนอกวัดแล้วก็ห่มผ้าออกไปยกเว้นแต่เราไปดูการดูงานดูอะไรของเราอยู่รอบข้างวัดเราตรงนี้แถวนี้ดูภาวะมันบอกมันเหมาะหรือไม่เหมาะ ม, มีมันมีอยู่อเราพิจารณาทบทวนให้ให้รอบให้ให้หมดนี่มันเป็นการต้องคิดต้องนึกต้องฝึกต้องปรือกิริยากายกิริยาวาจาคําพูดคําพูดสรพนามเราสรรพนามท่าน สรพนามเขาสรพนามพระสรพนามโยมต้องรู้จักด้วยสัพนามคําพูดทางวาจานี่ถ้าใช้ไม่ถูกมันก็เป็นภ า, ภาวะที่ไม่เหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีก็กลายเป็นแข็งกลายเป็นกระด้างภาวะกิริยาการพูดจานโดยเฉพาะพวกเราภาษาไรเรียกกันเราก็เรียกคูบาคูบา คุบาวนั้นคุบาวนี้ภาษาไล่เรียกันสมานาสนิกะอะสมานาสนิกะท่านพูดเอาไว้ในหลักวิ น, นัยสมานาสนิกะภรษาเกินกันไล่เรี่ยกันสองราษ า, า, า, าสารรษาท่าเรียกว่าสมานาสนิกะผู้มีอาสนะเสมอกันอะสมานาสนิกะ ผู้มีปรรษาเกินกันตั้งแต่ห้รปัาขึ้นไปถึง10บปัญหาการนั่งเราจะต้องนั่งตามลำดับสมานาสนิกะผู้มีปัรษาไล่เลียกันเขาเกินเราไม่ไม่เขาเกินเราไม่ไม เ, เกินสองปัญหาหรือเราเกินเขาไม่เกินสองปัญหารวมเป็นแล้วสมปัญาหาห่างกันไม่เกินสามปัญหา เรียกว่าสมานาสนิกะในหลักท่านมีเอาไว้ในหลักต้องพูดเอาไว้แล้วนั่งสับหน้ากันบ้างก็ได้สับหลังกันบ้างก็ได้สมมติเราเราไม่รู้ไม่รู้วันบวชเนี่ยเออภาษาเท่ากันหนึ่งภาษาเท่ากันอา้าวใครนั่งก่อนก็ได้นั่งหลังก็ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็นั่งตามลําดับอืม ภาษาไล่เลี่ยกันสองภาษาสามภาษาอ่ะนั่งก่อนก็ได้นั่งหลังก็ได้ถ้าถ้าหากมีการไล่ไล่เรียเร่ยงไล่เรียงกันดูว่าหนึ่งภาษาเรืองสองภาษาเราก็พยายามนั่งให้ถูกตามนั้นท่านจะมักจะถือพิธีพิธันเวลาฉันเวลาฉันเนี่ที่ท่านให้ถือนั่งถูกต้องตามระเบียบที่สุดก็คือเวลาฉัน เพราะการฉันนั้นรวมไปถึงการได้รับได้รับอาหารโดยลําดับต่้นให้ความสําคัญโดยลําดับอาหารโดยลําดับเนี่ยสมมติยังแจกอาหารมาจากหัวแถวเนี่ยแจกไปแจกไปเนี่ยโน้ตพระสิบองค์เนี่ยสมมตินะพระสิบองค์มีไข่ยู่เก้าใบเนี่ยเอามาจากหัวนั่นนะกระใบลระใบกะใบกะใบละใบมาและคนสุดท้ายไม่ได้นี่ท่านก็ถือว่าเป็นธรรมนะ เพราะอะไรเพราะคนข้างหน้าเขาเอาไปหมดก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นการการนั่งโดยลําดับนั้นนะท่านจะนั่งท่านจะท่านจะถือพิธีพิธันเกี่ยวกับการนั่งฉันหรือไม่กับการนั่งรับของท่านบางทีให้นั่งนั่งพิธีพิธันแต่วิธีอื่นเวลาอื่นเนี่ยนั่งสับกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่เป็นไรเช่นอย่างนั่งสวดเนี่ยนั่งสวดมนั่งนูนั่งนี่นั่งอะไรอย่างอื่นนั่งสับกันบ้างก็ไม่เป็นไร แต่การนั่งเพื่อรับบินทบาทเนี่ยหรือไม่เดินบินทบาทเนี่ยท่านถือว่าได้ตามลําดับมีสิทธิ์ตามลําดับอาวุโสพันเตอได้ตามลําดับอาวุโสพันเตก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างใครใข่เก้าใบกับพระสิบองค์เมื่อกี้นี่แหละไข่เก้าใบก็แจกมาตั้งแต่หัวแถวเนี่ยอง องหัวแถวกันหนึ่งใบองค์ที่สองที่สามาองละใบละใบะใบละใ บ, ะใบมาถึงอง์ที่เก้าหมดพอดีอง์ที่สิบไม่ได้นี่ก็ยังถือว่าเป็นธรรมก็ยังถือว่าเป็นธรรมเพราะอะไรได้ตามลําดับได้โดยลําดับนี่การนั่งสมานาสนิกะอสมานาสนิกะก า, ก, าการนั่งกันห่มกันนั่งอืม การ น, นอนการ น, นอนโดยลําพังตามที่กติของเรานะ่ะท่านถือว่านอนตามสบายนอนยังไงก็ได้แต่ถ้าคนไม่มีไม่มีวัดถ้าคนไม่มีวัดกะไปนอนคลุกศาสอนอนคลุกเสืยเหมนคลุ้งเราเคยเห็นนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนมีวัดหน่อยมันต้องมีผ้าปูที่นอนโดยเฉพาะพระเนรเราต้องมีผ้าปูที่นอนครวาศ์เขาก็ยังมีผ้าปูที่นอน พระเราเนี่ยพระกรรมฐานเราถือภาพปูที่นอนเป็นสําคัญต้องมีผ้าปูที่นอนมีภาพปูที่นอนมีปูสัดอ่าปูสัดถ้ามีนวมสําหรับกันปวดกระดูกสักหน่อยหนึ่งกับปูนวมเข้าไปก็หมอนวางลงเอาหมอนวางลงแล้วกับผ้าปูที่นอนเนี่ยปูทับหมอนเข้าไปอีก ปูทับผ้าหน่วมเข้าไปอีกการปูที่นอนแต่บางคนไม่สนนะไม่มีข้อวัดไม่มีอะไรแหละนอนเอาหัวนะ่ะครุกหมอนเะนี่ยเหมือนคลุ่งดำปีนนะบางคนอย่าลืมนะพระกรรมฐานเราเนี่ยต้องมีผ้าปูที่นอนต้องมีผ้าปูที่นั่ง ในตำนานท่านพูดเอาไว้ว่ามียักษ์ตนหนึ่งผิวพันผิวกายตะปุ่มตะป่ําผิวกายตะปุ่มตะป่ําประวัติย้อนหลังว่ายักษ์ตนนี้สมัยเคยบวชเป็นพระในสมัยพระเจ้าองค์หนึ่งไปนอนเอาเงือกเงือกเจ้าของเนี่ยครุกอาสนะสง์ ทำให้เหงื่อของเจ้าของไปเปียกอาสนะสงฆ์คำว่าคำว่าอาสนะสงฆ์ก็คือที่อยู่ของสงฆ์ของหมู่ของเพื่อนของพวกรวมไปถึงว่าไม่มีผ้าปูไม่มีพ้าปูนั่งไม่มีพาปูนอนพอไปเกี่ยวข้องแล้วมันทำให้เหงื่อเราเนี่ยเปียกเปื้อนนี่เราเขาพูดถึงวัดยักษ์ตนนั้นเนี่ยแกเป็นแกไปนอนเอาร่างกายที่เปียกปอนไปด้วยเหงื่อเนี่ยไปนอนคลุกที่นอนสงฆ์ อันนี้สองเกิดมาเป็นยักษ์ผิวกายตะปุ่มตะปั่มนี่เพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่ไม่สํารวมระวังะนะะช่ไหมมันไม่สํารวมระวังก็เป็นเหตใหุให้ได้รับกรรมอย่างนั้นนะเราอย่าว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆ น, นะเรื่องบาปเรื่องกรรมมันไม่ใช่เรื่องเล่นนี่เรื่องเรื่องการการเป็นการอยู่การนุ่งการห่ม หอมไปนอกวัดก็หอมคลุมหอมอยู่ในวัดก็หอมปิดไหล่ข้างหนึง่งแต่ว่าถ้าเราบินธบานในวัดเราก็ต้องหอมคลุมอีกโดยเฉพาะพวกเราทำยุทธเราบินธบานในวัดก็ตามเราก็ต้องหอมคลุมการหอมคลุมก็คือเอาบาดใส่ข้างขวา อาบาดเนี่ยสายบาดเพราะเราใช้สายสายสะพายเราใช้สายสะพายบางคนจางหาะนิกายบางทีเขาก็ไม่ไม่ใช้สายสะพายเขาก็อุ้มบาดถลกบาดก็ไม่มีเขาก็อุ้มเงื่อนบางทีเขาก็มัดอกมัดอกแล้วก็เปิดไหล่ไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นระเบียบนั่นนะอ่ะเปิดไหล่ข้างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็รัดอกนั่นก็ถือว่าเป็นชุดที่เป็นระเบียบของเขา ถ้าเรามาไล่ว่าอยู่ในวัดอยู่นอกวัดนี่มันก็ไม่ไม่เข้ากันดอกอยู่นอกวัดต้องหอมคลุมแม้แต่ทำรรยุทเราบินธบาตในวัดเราก็หอมคลุมสะสะพายไหล่ขวาสะพายไหล่ขวามือซ้ายก็มือซ้ายก็จับถลกบาศหรือรองก้นบาศมือมือขวาก็ สลับเปิดฝาแวกผ้าออกเวลาใส่การนุ่งการหม่มเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทันนวางแผนไว้หมดการสำรวมระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาต้องฝึกฝนต้องอบรมที่อบรมที่สำคัญก็คืออบรมจริตนิสัยข้างในใจข้างเราแล้วแหละอบรมกรรมาฐานเงี้ยจิตไม่มีความสงบ พยายามอบรมให้จิตได้รับความสงบอบอยู่อย่างนั้นรอมอยู่อย่างนั้นขยับอยู่อย่างนั้นะขึ้นลงขึ้นตกขึ้นตกขึ้นตกเกาะตกเกาะตกเกาะตกจับอารมณ์พุทโธมาใส่พุทโธพุทโธตกไปพุทโธพุทโธตกไปจับเข้ามาพุทโธุธตกไปจับเข้ามากิริยาแบบนี้แหละที่จันทบัอบรมอบรมทําจนได้ทําจนมีทําจนเป็น ที่เขเรียกว่าอบรมคือไม่ชํานานทำจนชานานไม่ได้ทาจนได้ไม่มีทำจนมีไม่เป็นทำจนเป็นไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่มีก็คือไม่มีไม่เป็นก็คือไม่เป็นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับธรรมขึ้นอยู่กับธรรมที่เขาเรียกว่าอบรม อบรมจริตนิสัยกิริยากายกิริยาวิจารและกิริยาใจราชการที่หเรื่องอะไร ท, ที่ที่เพิ่นเขียนกลอนโครงกลอนอรฝุงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างความรู้เรียนทันกันหมดคงแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก่หมายถึงว่าอ่อนอบรมเนี่ยแหละ อ่อนแก่รือไหวเนี่ยท่านเขียนเอาไว้การเรียนรู้การเรียนรู้มากน้อยอการฝึกฝนอบรมแก้ไขให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะเราจะได้ก็คือเราแก้ได้เราจะมีก็คือเราแก้ได้เราจะเป็นก็คือเราแก้ได้ ทำจนได้ทำจนดีทำจนมีทำจนเป็นนี่คือการตั้งใจฝึกฝนอบรมไม่ใช่ศักดิ์วาศักดิ์วาอะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้จะไปเอาอะไรอะไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาต้องได้ต้องได้ต้องได้ต้องได้คำว่าไม่ได้นี่ไม่เอา คำว่าไม่เอาหมายความว่ามันไม่มีอะไรจะให้ได้กันเลยไม่เอาก็มันไม่ได้อยู่แล้วจะไปเอาอะไรอีกประเด็นหนึ่งก็ว่าไม่ได้ไม่เอาคือทาไม่ได้อย่างงี้จะไม่เอาต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องงนี้ถึงจะเอาไม่ได้อย่างนี้ไม่เอานี่การตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกให้ได้ให้เป็นอย่างนั้นแหละฝึกไปตั้งแต่น้อยไปหามากอตั้งแต่ง่ายไปหายาก ตั้งแต่ก็ยกล้วยไปหายากยากก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยฝึกกิริยากายให้เป็นกิริยาวาจารรวมไปถึงกิริยาใจคือการฝึกกรรมฐานการรู้จักฝืนกิเลสการรู้จักฝืนอารมณ์การรู้จักปรับอารมณ์การรู้จักเลือกอารมณ์การรู้จักจับอารมณ์ ให้กับจิตให้จิตได้อยู่ให้จิตได้เพึ่งให้จิตได้เกาะให้จิตได้สงบให้จิตได้ระ ง, งับไม่ใช่จับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เดือดที่ดานเอาไปใส่ให้จิตจิตมันก็เดือดดานอยู่ตลอดไม่มีจุดจบไม่มีที่จบจับไม่ถูกมันก็ลักษณะอย่างนั้นแหละจับเอาไฟไปสาดเขาเขาจะได้รับความชุ่มเย็นอะไรคิดแต่เรื่องร้อนร้อนมันจะได้รับความชุ่มเย็นอะไร คิดเรื่องรักคิดเรื่องราคะคิดถึงเรื่องโทสะเนี่ยลองคิดดูที่ร้อนคิดเรื่องรักคิดเรื่องชังราคโทสะเนี่ยรักกับชังก็คือราคะโทสะนั่นคำว่าราคะมันใช้ได้ตั้งแต่กิริยาพื้ น, นไปจนถึงกิรยยิยาหยับหาหยาบค า, ายที่สุดนั่นลึ เขาว่ากำนัดกำนัดกนัดตั้งแต่กิริยาหยาบหยาบไปจนถึงกิริยายาที่ละเอียดที่สุดท่านใช้คาว่าราคะราคะราคะคือความกำนัดใช้ได้กับกิริยาที่หยาบหยาบไปจนถึงกิริยาที่ละเอียดที่สุดใช้กับกิริยาที่ละเอียดที่สุดรวมมาจนถึงกิริยาที่หยาบที่สุดภาษาบาลีท่านใช้คาว่าราคะราคะราคะ สาไทยแปลว่าความกำหนัดก็ได้แปลว่าความยินดีก็ได้แต่ความยินดีมันละเอียดมันเป็นกิริยาของจิตด้วยนะยินดีจิตยินดีราคะแสดงออกทางกายราคะแสดงออกทางใจแสดงออกทางกายเราก็ดูเวลามันคึกขนอง แสดงออกทางใจเราดูเวลามันอยากเต็มที่ในใจเราดูออกไหมความอยากในใจความอยากมันแสดงออกที่ใจราคาความกหนังนะพอมันสัมผัสเยับเห็น ไ, ไหมเหมือนกับไฟเหล็กเหมือนกับเหล็กไฟเขาตีกันชักเกิดประกายเห็นไหมมันเกิดประกายชักเกิดประกายรูปธรรมสัมผัสนามธรรมา รูปธรรมสัมผัสรูปธรรมสัมผัสนามธรรมาเกิดเป็นปฏิกิริยากันเกิดขึ้นเหมือนกับเหล็กกับไฟสัมผัสกันชักอไอ้กิริยาที่มันสัมผัสกันก็อย่างหนึ่งไอ้ผลสืบเนื่องมาจากที่มันสัมผัสกันเกิดอีกอันหนึ่งเห็นไหมเห็นไฟมันประกายไฟเห็นไหมประกายไฟเวลาเวลาอะไรเวลาไฟมันสะบักกันชัก ใช่ไหมมันมีเปลวไฟออกมานั่ย น, นั่นตัวนั้นอะ่ะนะตาเห็นรูปตาเห็นรูปแต่ถ้าตาคนตายมันไม่เห็นตาคนเป็นเห็นเห็นรูปตาคนเป็นสัมผัสรูปพร้อมกับเกิดความรู้สึกเห็นนะนามธรรมาเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้เห็น ใจเป็นผู้เห็นตาไปสัมผัสไปสัมผัสกับรูปแต่ว่าต้องมีต้องมีใจนะมันถึงจะสัมผัสถ้าไม่มีใจก็ไม่สัมผัสไม่มีใจไม่สัมผัสตาคนตายไ ม, ม่จะไม่สัมผัสรูปตาคนเป็นเนี่ยสัมผัสรูปเพราะมีใจเป็นตัวไปสัมผัสเกิดผัสสะ หัตสาปป๊บเกิดเวท น, น, น, นานั่นแหละตัวเวทนานั่นแหละตัวยินดีถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนปลักายไฟที่มันเช็คออกมาแหละเหล็กกับหินที่มันสัมกระทบกันแล้วก็เช็คเกิดเป็นไฟขึ้นมามันเกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วเห็นไหมโบราณเขาทาไฟทําไฟแช็คนะฮะโบราณเขาทาไฟแช็คอย่างสมัยทุกวันนี้เขาทาไฟแช็คเขาก็มีไฟแก๊สเนี่ยเวลาเหล็ก มันไปสัมผัสกับหินเนี่ยเช็คมันเกิดประกายขึ้นมาในขณะเดียวกันมันกรเดืองมันก็เปิดอ้ากรเดืองเปิดอ้าทำให้แก๊สนี่มันออกมาเห็นไหมทำให้แก๊สมันออกมาฟูมาฮนะมันมาติดกับไฟมันมาติดกับไฟมันมาติดกับไฟเราดูกิริยานี้แล้วเราก็ดูกิริยาไปที่จิตของเราก็เช่นเดียวกันนะเพราะรูปธรรมรูปไปกระทบรูป แต่นามธทํานามาทํามันเป็นผู้มันเป็นผู้ไปกระทบนามาทําเป็นมันเป็นผู้ไปกระทบตากระทบรูปนี่ยแหละแต่ว่านามมาทําเป็นผู้กระทบเกิดความรู้เกิดความรู้แล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเห็นไหมเกิดผัสสะเกิดเวทนาอันนั้นคือผลิตผลต่างหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละตัวยินดีเกิดขึ้นตรงนั้นแหละตัวยินร้ายเกิดขึ้นตรงนั้นแหละเราดูเถอะ ดูสาเหตุดูต้นต่อของมันที่มันจะเกิดราคะก็เกิดตรงนั้นแหละตัณหาก็เกิดตรงนั้นเลยเกิดสัพสัเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันยึดมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่มันเกิดแช็คเดียวในขณะเช็คเดียวนั่นแหละไม่ต้องมาไล่เป็นหนึ่งเป็นสองดอกมันเกิดในขณะพร้อมกันสัมผัสแช็คเดียวมันเร็วมันรวดเร็วมันรวดเร็วมาก นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงราคะความกำนัดทางกายราคะความกำนัดทางใจความกำนัดทางใจก็รวมไปถึงความยินดีรวมไปถึงความยินร้ายความยินดีกับความยินร้ายมันเป็นตัวผลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมา มันไปสัมผัสตาไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงจมูกไปสัมผัสกลิ่นลิ้นไปสัมผัสคือรูปต่า ง, างๆเหล่านี้มันไปสัมผัสรูปแต่มาสุดท้ายใจไปสัมผัสอารมณ์ใจไปสัมผัสอารมณ์เช่น อ, อย่างเรานั่งหลับตาเรานั่งหลับตาตาเราก็ไม่ได้เห็นแล้วตาเราก็ไม่ได้เห็นถึงเราจะไม่ต้องอดหูแต่หูเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟัง จมูกไม่ได้ตั้งใจจะดมกลิ่นลิ้นไม่ได้ตั้งใจจะริมรสแต่มันหากมีมโนสัมผัสคําว่ามโนสัมผัสก็คือจิตน้อมนึกถึงอารมณ์เก่าน้อมนึกถึงเรื่องเก่าเช่นอย่างรูปปัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังรูปปัญญาสัญญาก็คือสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มา ก, ก่อนเนะี่ยถ้าเรียกว่ารูปรูปปัญญาก็เหมือนอย่างเราเคยรู้จักคนนั้นคนนี้ คนนั้นเป็น น, น, house, ป น, น, นั้นคน น, น, นี้เป็นนี้วัตถุสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้เราก็จําได้เรานั่งหลับตาปาั๊บสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏที่มโนทวารของเราเจ่อย่าเรานั่งนึกถึงพ่อรูปพ่อของเรารูปแม่ของเรารูปเพื่อนรูปอะไ ร, รต่ออะไรของเราสรพัดเต็มไปนึกถึงกติของเรานึกถึงอะไรเรานึกเรานึกได้หมดนึกถึงบ้านนั้นเมืองนี้นึกถึงอะไรเรานึกได้หมดเรานั่งหลับตาเราไม่ได้ลืมตา แบบนี้เขาเรียกว่ามโนสัมผัสใจมันสัมผัสตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือมาเชื่อมมาสัมผัสอีกอันหนึ่งก็คือสัญญาสัญญารูปสัญญาสัญรูปสัญญาหมายรูปอย่าเบื่ออย่าลืมว่ารูปเก่ามันก็หมายได้รูปใหม่มันก็หมายได้รูปไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นมันก็หมายได้เหมือนอย่างเราพูดถึงอะไร เราพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยอ้าวเราไม่เคยไปนะออสเตรเลียเนี่ยพอเราพูดถึงปับ๊บใจมันก็หมายโอ้โอออสเตรเลียมันเป็นเกาะเนาะเกาะเล็กอย่างงั้นเกาะใหญ่อย่างงั้นแล้วก็หมายไปเขาเรียกจิตมันหมายจิตมันคาดจิตมันเดาจิตมันนึกไปของมันตัวนี้เป็นตัวเสริมถ้าเสริมทําให้เกิดก็คือตัวนี้เสริมทําให้เกิดถ้าเพอร์กิเลสเกิดก็คือตัวนี้เสริมกิเลสให้เกิด และจะเป็นตัวเสริมกิเลสให้เกิดที่ละเอียดที่สุดนี่ที่เราพูดถึงนี่อยู่อยู่ในตัวเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราพยายามย้อนมาย้อนมาดูย้อนมากําหนดดูนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือตามหลักธรรมชาติถ้าเราไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทําให้เราฉลาดรอบรู้ในธรรมะเนี่ยฉลาดได้ยากเราจะต้องศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพระนาะฉะนั้นท่านจึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตเรานั่งอยู่สบายแทนที่เราจะนั่งพูดกันนั่งคุยกันนั่งหยอกล้อกันเล่นกันอะไรกันนั่งหายใจสบายสบายกันเราก็มานัน่งพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้โอรูปของเราเป็นรูปเนาะ อเวทนาเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงเป็นงี้ออเป็นงี้เป็นอย่างงี้เป็นงี้อสัญญาเป็นยังไงสัญญาที่มันมีอยู่ในใจของเรามันเป็นยังไงออเป็นอย่างงี้เป็นงี้หมายรู้อย่างนั้นหมายรู้อย่างงี้ออรูปเก่าเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างงี้เราเคยจําได้เป็นอย่างงั้นหลับตาพอเห็นรูปอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตอดนี้ท่าเดียวว่าสัญญาอสังขารท่านหมายถึงอะไรที่ท่านพูดเอาไว้หมายถึงจิตคิดเรื่องบุญจิตคิดเรื่องบาสนี่ มันปรุงเรื่องบุญปรุงเรื่องบาปวิญญาณอ่าวิญญาณก็คือความรู้ของจิตแหละนะมาสัมผัสยับระวังตากระทบรูปเกิดวิญญาณจักขุวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดโสตะวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเกิดคานะวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดชิวหาวิญญาณกายกระทบผัดสดะเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดกายะ ผัสสะกายสัมผัสใจน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเรียกว่ามโนสัมผัสมโนสัมผัสแล้วนั่งพิจ า, ารณาหัดนั่งพิจ า, ารณาหัดนั่งนึกอยู่อย่างนี้มันเป็นการใครครวนหลักธรรมะอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรอยู่ในในตัวของเราในจัดกายของเราในใจของเรามันประเทองสติมันประเ ท, อ ง, ะเทองปัญญามันทำให้เรารู้จักเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัว นีเกิดประโยชน์เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้นี่ความรู้โดยธรรมท่านจะไปตรงไหนถ้าท่านไม่มาตรงนี้จะนั่งหลับตาเห็นนุ่นเมืองพญานาคเหรอนั่งหลับตาเห็นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะนั่งหลับตาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานไม่ใช่อันั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้น ถ้าหากเรามีความสามารถพิเศษเราก็สามารถเข้าไปถึงได้เข้าไปรู้ได้เข้าไปเห็นได้นี่เราพูดถึงอะไรเราพูด ถ, ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราพูดเราพูดถึงความกำหนัดในร่างกายราคะทางกายราคะทางใจความกำหนัดมันเกิดขึ้นมาากอย่างนี้แหละ กำนัดตั้งแต่ชอบใจธรรมดาธรรมดาใจมันชอบพื้นๆธรรมดามันนึกมันคิดมันปรุงไปด้วยเหตุที่เรามีกิเลสมีตัณหาในหัวใจมันก็มีความกำนัดตั้งแต่ใจมันมีความกำนัดมาจนถึงกายมันมีความกหนัดกำนังเพื้นๆธรรมดาอชอบใจเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องสัมผัส สัมผัสลมสัมผัสอ่อนสัมผัสแข็งสัมผัสนิ่มนวลรวมมาถึงมนุษย์มีความนึกคิดแล้วก็มีความอยากสัมผัสจากเกี่ยวข้องกันอยากอะไรต่ออะไรกันนี่เส้นสายของกิเลส ต, ตัณหาที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราศึกษายอยีกก็ทําให้เราได้รับประโยชน์เรารู้ที่เกิดของมันเรารู้ที่ดับของมันเรารู้อุปกรณ์ของมันรรู้ชิ้นส่วนของมันเรา จะรู้บทบาทของกิเลสที่มันจะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราจะรู้จากความมีกําลังสติปัญญาเรามีกําลังโดยรู้เท่ารู้ทันกิเลสตัณหาที่มันจะพึงแสดงออกในหัวใจของเราเรารู้เออมันกําลังกําเริบอย่างนี้โอ้มันกำลังกําเริบอย่างนี้โอ้มันกําเริบมาจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้เราใส่ใจเรื่องนั้นเราใส่ใจเรื่องนี้ มันทำให้จิตของเรากรารําเบิบอย่างนั้นกําเริบอย่างนี้เรารู้ที่เกิดขึ้นมันเมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับเราก็ถ้าว่าเรารู้ที่ดับขึ้นมันเรารู้ว่าอะไรเกิดและเรารู้ว่าอะไรดับแล้วก็เราเรารู้ที่เกิดขึ้นมันแล้วก็เราก็รู้ที่ดับของมันยังอยู่กิริยาเดียวที่เราจะต้องจะต้องต่อ ก, ก่อนขึ้นมันก็คือกิริยาอุตสาพยายามความภากความเพียรกําหนดจดจ่อ ข, ขุดคุยขุดค้นอืม เอามันเกิดขึ้นด้วยโดยเหตุใดตราบใดที่มันยังมีกําลังวังชาอยู่ตราบใดที่มันยังไม่ตายตราบใดที่มันยังกําเริบะมันมันเกิดขึ้นด้วยวบายใดด้วยวิธีใดแล้วเขาพยายามกําหนดจุดจอดูมาที่ที่นี่แหละดูมาที่ใจของเรานี่แหละกำหนดจุดจอมาที่นี่แหละมาชาระอยู่ที่นี่มาขัดที่นี่มาเกาที่นี่มาฝึกมาฝนมาอบมารม ทั้งฝึกทั้งฝนฟังแท่ว่าฝนฝึกฝนอบรมเราฟังดูทีฝึกก็คือทําจนได้ทําจนเป็นฝนก็คือมันเขาฝนฝนมีดมี ด, มดทูด่ๆเนี่ยฝนจนคมปิดเป็นมีดโกนนั่นแหะอบก็คืออบอบให้มันสุกให้มันงอมรมก็คือรมให้มันได้สีได้สันได้สวยได้งามได้อะไรฝึกฝนอบรม ฝึกฝนอบรมกายฝึกฝนอบรมวาจาฝึกฝนอบรมใจฝึกฝนอบรมใจให้ใจของเราอยู่ในระบบในระเบียบอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในกรอบของธรรมสรุปลงแล้วก็คือให้จิตมีธรรมให้จิตรู้เท่าทันกิเลสตราบใดจิตไม่รู้เท่าทันกิเลสจิตก็จะไม่มีธรรมตราบใดจิตรู้เท่าทันกิเลสจิตก็จะเริ่มมีธรรม ไปจากการฝึกการอบรมทั้งนั้นเนะราจะนัวันคืนลงไปเราอยู่ด้วยการฝึกฝนอบรมเราอยู่ด้วยการศึกษาเราอยู่ด้วยการฝึกการปลือไม่ใช่อยู่ศัตวว่าอยู่ไปวันวันเหมือนกระจนกระแตะนะไม่ใช่ปาหิวขึ้นมาแล้วก็ไปหา ก, นนกินนู้นกินนี่จกจกแจ๊กแ จ, จ๊ตามโคนไม้ตามยอดไม้นะไปึกดึงนั้นมา กัดดึงนี้มาแทะไม่ใช่กรกะรอกกระเตะรู้อยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างมีการศึกษาถ้าเราอยู่อย่างเราอยู่แบบผู้ศึกษาเราจะไม่เบื่อหน่ายอะไรผ่านมาทางตาเราก็ศึกษาผ่านมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมมาถึงว่าผ่านมาทางใจเราก็ศึกษาอารมณ์ดีไม่ดีผ่านมาในหัวใจเราศึกษา คร่ครวนพิจรารณาทุกระยะทุกเวลาอยูอย่างผู้ศึกษาพระเสขะพระอาเสกขะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านก็ยังไม่เรียกพระเสขะนะอันนี้มันเป็นการเรียกแต่ว่าคําว่าเสขะเสขะแปลว่าศึกษาเรายังไม่ได้เป็นเราก็เรียกได้เราเรากำลังเรากำลังศึกษา พอศึกษาไปแล้วไปตกกระแสท่านท่านเรียกว่าพระเสขบุคคลนะเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตจบพรหมจันทร์ท่านเรียกว่าพระอเสขะอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฝึกปรือไม่ต้องอะไรสำเร็จรูปหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วงานการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอเสขะไม่ต้องศึกษา เรามาฟังถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยรู้สึกมันมันกว้างมันขวางเหลือเกินเราเอาการศึกษาเป็นเครื่องอยู่อยู่ยังไงเราก็อยู่ได้อะไรผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรต่ออะไรมาเาาานี่ยเราก็ศึกษาอะไรผ่านมาก็ศึกษาปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ศึกษาแก้ไขดียังไงไม่ดียังไงเสียยังไงแก้ไขยังไงแก้ยากแก่ง่าย ใช้อุบายใช้วิธีพิจารณาแก้ไขอย่างไงอยู่อย่างผู้ศึกษาได้ประโยชน์อยู่อย่างผู้ขี้เกียจขี้ค้านประมาทมักง่ายได้โทษนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังได้โทษเพิ่มอีกนี่ให้เราพึงสำรวมระมัดระวังสิ่งที่เราจะต้องฝึกเปลือมีมากมีเยอะข้อวัดต่างๆที่เราควรจะฝึกไปดูในข้อวัด ไปดูในวัดสิบสี่อย่างไปดูในเวนายมุกเล่มสองไปอ่านดูมันมีวัดอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าเราทำวัดอะไรบ้างได้กี่อย่างเวชกุดิวัดอาคันตุ ก, กะวัดอาจารยวัดฉันตาคราววัดโรงไฟ ชันตาครวัดโรงไฟอาคันทุกะ ว, วัด เ, เวชกุดีวัดเสนาสนาวัตรวมลงมันเป็นกิ จ, จวัตรทั้งหมดไปดูท่านพูดเอาไว้ในเวียนใ น, ในมุกเล่มสองไปดูไปดูปดลักมันก็นมาฝึกฝนอบรมมาขัดมาเกาเราศึกษาทั้งสิ่งที่มีแบบแผนให้ศึกษาแล้วก็ศึกษาทั้งสิ่งที่เป็น ของจริงอยู่ในหัวใจของเรากายจริงของเราวาจาจริงของเราใจความรู้สึกภายในใจของเราจริงของเราเนี่ยศึกษาของข้างนอกแล้วก็มาศึกษาของข้างในฝึกฝนอารมณอยู่อย่างนี้อยยางผู้ศึกษาเอาการศึกษาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมถ้าให่งันแล้วก็มันจะรู้สึกมันจะรู้สึกงดงดเ ง, งียบ มันจะรู้สึกจื ด, จดๆไกลๆมันจะเกิดความรู้สึกโอ้ยอยู่ซื่อๆเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เลยมันจะเกิดความรู้สึกความรู้สึกเหล่านี้มันจะมาหลอกเรานะมันก็หลอกหลอกให้เราขี้เกียจขี้คานในในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่หลอกให้เราขยันในสิ่งที่เราพยายามจะละจะวางมันอยู่ อยากเล่นอยากคุยอยากพูดอยากตลกอยากขนองซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะจะละจะวางจะทิ้งมันอยู่ถ้าหากเราไม่ใคร่ครวนถึงเรื่องคุนเรื่องโทษก็จะทำให้เราหาันเหไปกับสิ่งเหล่านั้นอะไรคือประโยชน์ให้เราฝึกฝนอบรมเอาทั้งตั้งใจทำเอาอะไรคือโทษให้หลีกให้เว้นให้งดให้เว้นเอาความขยันเป็นตัวตั้ง เกี่ยวข้องกับอะไรเอาความขยันเป็นตัวตั้งเกี่ยวข้องกับข้อวัดข้อใดเอาความขยันเป็นตัวตั้งเอาความเป็นเป็นตัวตั้งเอาความละเอียดละเพิ่มขึ้นเป็นตัวตั้งไม่ใช่ทํายังไงก็อยู่อย่างนั้นคนนลูลูยังไงก็อยู่อย่างนั้นทําขยุกขยุกขยุกขยุกโลว์ว์ยังก็อยู่อย่างนั้นทําดีขยับดีก้าวหน้าละเอียดไปหน้า ทำละเอียดไปหน้าทำดีไปหน้าทำสวยทำงามไปหน้าถ้าไม่มีคุณภาพไปข้างหน้าข้อสำคัญข้างในน่แหละพยายามจับให้มันได้หลักข้างในใจของเราตาใจของเรายังหาที่อะไรยังหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้แล้ว็ลำบากมากมันจะว่าวเวไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องเกาะ ไม่มีที่อยู่เป็นบ้านร้างไม่มีที่อยู่เป็นบ้านไม่มีหลังคามงไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ฝนมาลมมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาตอดมามาตอดมาต่อยบ้านไม่มีหลังคามงไม่มีฝาแอมการลมก็ไม่ได้การฝนก็ไม่ได้การสัตว์การเหลือบยุงก็ไม่ได้ ปกปิดความละอายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เน่ขาดหลักขาดหลักลึกๆขาดหลักข้างในถ้าเรามีหลักข้างในแล้วก็พออยู่โอ้ปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วอ้าว แ, แก่อ้าวแก่ยังไงเอ๊ะมันเกิมันเกิดขึ้นไังก็ใครครวรดูมานั่นแหละดูไปดูมาดูมาดูใบพลิกไปพลิกมาดูคุณดูโทษดูประโยชน์กับดูไม่ใช่ประโยชน์ของมันมันเกิดขึ้นได้ยังไง มันรวมตัวเกิดขึ้นมาได้ยังไงอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละมันจะมาหลอกเรานะหลอกง่ายๆลย่ะหลอกเอออย่างนี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่มีคุณค่าอะไรเออเสียเวลาโอ้ยลําบากโอ้ลาบากโอ้เดือดร้อนโอ้กันดานสารพัดแล้วแต่มันจะมามาหลอกพาเราคิดเราลึกอะไรเกิดขึ้นในในลักษณะกิริยาอาการของจิตปับ๊บจับป๊อ อ่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเริ่มแรกมันคิดเรื่องอะไรย้อนอย้อนสอนให้มันที่เรานึกนึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องยาวลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตพอเราเระลึกรู้สึกตัวเราจับปับบป๊บย้อนหลังให้มันจับปั๊บย้อนหลังให้มันย้อนไปจนเจอนะ่ะเจอไอ้ตรง ที่มันเลวร้ายที่สุดที่มันสามารถจับเกาะแล้วก็เดินมาจนยื้อยาวเนี่ยพอรู้ตัวปั๊บจย้อนย้อนไปจนเจอจับได้ปั๊บย้อนไปจนเจอการศึกษาย้อนหลังแบบนี้จับผลย้อนไปหาเหตุแล้วก็จับเหตุย้อนมาหาผลนี่การศึกษาอารมณ์ข้างในจะทําให้เรารอบรู้รอบรู้เท่าทันอารมณ์ ทำให้จิตของเราในฉลาดขึ้นทันกิเลสในใจของเราจนมันจะฉลาดมันรู้ว่าอะไรคืออารมณ์ของกิเลสอะไรคืออารมณ์ของธรรมอะไรคืออารมณ์ของกิเลสอะไรคืออารมณ์ของธรรมเราปล่อยให้อารมณ์กิเลสเกิดขึ้นทีไรเมื่อไหร่เราก็ร้อนทีนั้นเมื่อนั้นเราทําให้อารมณ์ของธรรมเกิดขึ้นทีไรเมื่อไร่เราก็ได้รับความชุ่มเย็น ด้่ลความแปลว์เปล่าปลอดโปร่ปรปรงเบาสบายที่นั่นเมื่อนั้นตั้งใจฝึกฝนอบรมกันเอาละพอสมควร